อาราหันตัสสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งประธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสัมรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ตรัสรู้ประธรรมและได้แสดงประธรรมสั่งสอนเพราะฉะนั้นประธรรมจึงเป็นข้อสำคัญถ้าหากว่ามีความเข้าใจก็ยอมจะทำให้รู้จักพระพุทธาศาสนา และปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาเป็นธรรมจารีบุคคลได้โดยถูกต้องคำว่าธรรมนี่ก็เป็นภาษาที่บัญญัติขึ้นซึ่งมีความหมายกว้างขวางแต่ว่า ก็อาจรวมเข้ามาได้ในสัจจะคือความจริงสัจจะคือความจริงนี้เองเป็นธรรมหรือธรรมะแม้ว่าคำแปลของสองคำนี้จะต่างกันแต่ก็สัมพันธ์กันคือธรรมะแปลว่าทรงไว้ ส่วนสัจจะคือความจริงนั่นก็แปลว่ามีอยู่หรือเป็นอยู่ทั้งสองคำนี้ถึงจะต่างกันแต่ก็มีความหมายเป็นอันเดียวกันคือสิ่งใดที่มีอยู่หรือเป็นอยู่จริงสิ่งนั้นก็ย่อมทรงอยู่ หรือดำรงอยู่ได้และสิ่งใดที่ทรงอยู่หรือดำรงอยู่ได้สิ่งนั้นก็จะเป็นสิ่งที่มีอยู่หรือเป็นอยู่เพราะฉะนั้นจึงมาแปลสัจจะกันว่าจริงหรือความจริงหรือว่าของจริงของแท้เพราะว่า สิ่งที่เป็นของมีอยู่เป็นอยู่นั้นย่อมเป็นของจริงของแท้จึงมีอยู่เป็นอยู่ได้ถ้าเป็นของไม่จริงไม่แท้ก็มีอยู่หรือเป็นอยู่ไม่ได้และความที่มีอยู่เป็นอยู่นั้นก็คือความที่ทรงอยู่หรือดำรงอยู่นั่นเอง เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าตรัสรู้ประธรรมจึงตรัสแสดงไว้เองว่าตรัสรู้อริยสัจทั้งสี่คือสัจจะสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่จึงแปล ก, กันว่าความจริงอันทำให้ผู้รู้เป็นอริยะ คือเป็นภูประเสริฐเป็นภูเจริญก็ได้แก่ความรู้จักทุกรู้จักทุกขกัสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์รู้จักทุกขนิโรธความดับทุกข์รู้จักมักคือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์อันเรียกว่าอริยสัจสี่ อันเป็นหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นประธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็คืออริยสัจทั้งสี่ที่ได้ตรัสแสดงไว้เองและก็ได้ทรงแสดงธรรมะที่ตรัสรู้นี้สั่งสอนโดยปริยายคือทางเป็นอันมาก แต่นกนตัดแสดงไว้เองว่าก็รวมเข้าในอริยสัจ ท, ทั้งสี่นี้เองคือรวมเข้าเพื่อที่จะได้รู้จักอริยสัจ ท, ทั้งสี่นี้และการปฏิบัติพระพุทธศาสนาก็รวมเข้าในกิจสี่ข้อในอริยสัจนี้นี่เองกิจสี่ข้อ ก็คือข้อที่พึงปฏิบัติกระทำสี่ข้ออันได้แก่กำหนดรู้หรือรู้จักรอบขอบในทุกข์ข้อหนึ่งอันเรียกว่าปริญญาละสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกขข้อหนึ่งอันเรียกว่าปารนะทำให้แจ้ง นิโรธคือความดับทุกข้อหนึ่งอันเรียกว่าสติการณะและอบรมทำให้มีให้เป็นขึ้นในมัคคือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข้อหนึ่งอันเรียกว่าภาวนาการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนา จึงรวมเข้าในกิจทั้งสีน่นี้กำหนดรู้หรือทำความรู้รอบรอบในทุก์ละสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์ทำให้แจ้งนิโรธคือความดับทุกข์และมักและอบรมทําให้มีให้เป็นขึ้นซึ่งมักคือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ก็รวมเป็นกิจสี่ประการและกิจสี่ประการนี้จะทำให้มีให้สมบูรณ์ขึ้นได้ก็ต้องอาศัยการอบรมปัญญาให้ได้ความรู้ยิ่งเห็นจริงให้ได้ความเข้าใจอันถูกต้องจริงในอริสัตทั้งสี่ข้อนี้ อันเรียกว่าอภิญยาซึ่งแปลว่าความรู้ยิ่งอันหมายความว่ารู้ยิ่งเห็นจริงนั่นเองอภิญยานี้ต่างจากปัญญาสามัญทั่วไปโดยที่ปัญญาสามัญทั่วไปนั้นเป็นความรู้ในสิ่งนั้น น, นตาม ความรู้ที่ได้ทางตาทางหูเป็นต้นซึ่งได้จากตาที่มองเห็นหูที่ได้ยินได้ฟังเป็นต้นและก็เป็นความรู้ที่ยึดถือที่เกี่ยวกาะแม้ว่า ความรู้ทางตาทางหูเป็นต้นเหล่านี้จะมีความรู้ลึกซึ้งในสิ่งนั้นๆเพียงใดก็ตามจะรู้สิ่งทั้งหลายในโลกที่อาศัยอยู่นี้จะรู้ไปถึง โลกอื่นเช่นรู้จักดวงดันดวงดาวต่างๆรู้จักดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ต่างๆหรือแม้ว่ารู้จักโลกนี้โลกหน้าโลกอดีต ด้ว ย, ยานคือความอย่างรู้อันเกิดจากสมาธิอย่างสูงแต่ยังเป็นความรู้ยึดรู้ติดตอนยังไม่เป็นอภินยาเป็นปัญญาทั่วไปหรือเป็นโลกิยะปัญญาปัญญาที่ยังเกี่ยวอยู่กับโลกเพราะฉะนั้น ยังยังไม่พ้นทุกรู้มากอาจจะทุกมากเพราะว่าอาจจะใช้ความรู้ก่อสิ่งที่ให้เกิดโทษเกิดทุกได้มากหรือว่ารู้มากยึดถือมากเกี่ยวเกาะมากก็ทุกมากถ้ารู้น้อย อาจจะทุกน้อยกว่าก็มีเป็นอันมากมนุษย์ในโลกนี้มีปัญญาสูงซึ่งเป็นโลกิยะปัญญาจึงมีความเจริญทางวัตถุต่างๆเป็นอันมากและก็มีความเสื่อม เพราะวัตถุต่างๆที่สร้างขึ้นจากความรู้นั้นเป็นอันมากเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจึงมีการสร้างและมีการทำลายโดยอำนาจของตันหาโวยอานาจของโลกโลดลงเพราะความรู้ที่รู้นั้น ยังไม่เป็นอภิญยาคือไม่ใช่รู้ยิ่งเห็นจริงหรือว่ายังไม่ใช่เป็นความรู้ทับอันหมายความว่าทับตันหาทับกิเลสกองโลภลดลงทับก็คือบรรเทา หรือวันดับอภิญญานั่นนอกจากแปลว่าเป็นความรู้ยิ่งคือรู้ยิ่งเข็นจริงยังแปลว่าทับคือคมหรือทำลายได้อีกด้วยอีกคำหนึ่งก็คืออธิปัญญารู้ยิ่งรู้ทับเช่นเดียวกัน จึงใช้ในความหมายว่าทัพกิเลสละกิเลสดับกิเลสพระพุทธเจ้าทรงได้ปัญญาในทางโลกอันเรียกว่าโลกิยะปัญญาอย่างสูงสุดเพราะทรงได้ อุเพนิวาสานุสติญาณความรู้ระลึกถึงขันเป็นที่อาศัยอยู่ในปางก่อนได้อันเรียกว่าระลึกชาติได้และจุตูปปาติยานความรู้จุติคือความเคลื่อนอุปบัติคือความเข้าถึงชาติพบนั้ น, น, น ของจัดทั้งหลายว่าเป็นไปตามกรรมอันนับว่าเป็นยอดโลกิยะปัญญาและทรงได้ปัญญาที่เป็นยอดซึ่งเป็นโลกุตระปัญญาปัญญาที่อยู่เหนือโลกพ้นโลกคืออาสวัคคยายาน ความรู้เป็นเขตสิ้นอาสวะรเพราะฉะนั้นจึงทรงละกิเลสและของทุกได้ทั้งสิน้นเพราะปัญญาที่ทรงได้นี่เป็นอภิญญาปัญญาที่รู้ยิ่งเห็นจริง หรือปัญญาที่ทับกิเลสดับกิเลสละกิเลสหรืออธิปัญญาปัญญาที่ยิ่งหรือทับกิเลสดับกิเลสเช่นเดียวกันที่เรียกว่าโลกุตระเหนือโลกพ้นโลกก็หมายถึงเหนือทุก เหนือกิเลสพ้นกิเลสพ้นทุกนั่นเองแม้ว่าบุคคลผู้ปฏิบัติธรรมะทั่วไปปฏิบัติในกิจทั้งสี่ดังที่กล่าวมานั่นหรือว่ากล่าวโดยทั่วไป ก็คือปฏิบัติในมัคมีองแปกย่ตเข้าก็เป็นศีลเป็นสมาธิปัญญาหรือเป็นไตรสิกขาศีลและสิกขาอิตสิกขาคือสมาธิและปัญญาสิกขาหรือว่าตามพระโอวาทที่เป็นหลักเป็นประธานอันเรีกโอวาทปาติโมก ไม่ทําบาปทั้งปวงทํากุศลในีถึงพร้อมชำระจิตของตนให้ผ่องใสการปฏิบัติทําทั้งปวงนี้ก็เป็นการปฏิบัติที่จะต้องถึงปัญญาอันเป็นความรู้ ยิ่งหรือรู้ทัพกิเลสละกิเลสดังที่กล่าวและแม้ว่าจังละไม่ได้มากละได้น้อยละได้เท่าไรก็เป็นการปฏิบัติที่ละทุก ละกิเลสได้เท่านั้นก็เป็นโลกุตระเท่านั้นแม้ว่าจะเป็นโลกุตระชั่วคราวคือละได้เฉพาะ อ, อย่างเฉพาะคราวก็เป็นโลกุตระเฉพาะ อ, อย่างเฉพาะคราวเป็นการปฏิบัติหัดที่จะให้จิตใจของตนการปฏิบัติของตน อยู่เนื้อกิเลสเหนือทุกคือละกิเลสละทุกพ้นกิเลสพ้นทุกนั่นเองการปฏิบัตินั่นก็ต้องตั้งตนกันมาอย่างนี้ท้งนั้นพระพุทธเจ้าเนีพระอรหันตสาวกทั้งหลายก็ต้องทรงตั้งต้งตนมา ดังที่เรียกว่าพระพุทธเจ้าเมื่อเป็นพระโพธิสัตว์ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีมาเป็นอันมากตลอดเวลาชานานจึงมิใช่ว่าจะปฏิบัติเพื่อละกันได้ทันทีต้องใช้เวลา นานต้องปฏิบัติบ่บอยๆในการที่จะเรียนให้รู้จักวิธีปฏิบัติท่านเรียกว่าปริยัติธรรมคือธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสังสอนให้ปฏิบัติว่าปฏิบัติในศีลอย่างไรในสมาธิอย่างไรในปัญญาอย่างไร หรือยกเอาจำเพาะมวดสติปฐานทั้งสี่ที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้ตั้งสติกำหนดกายกำหนดเวทนากำหนดจิตกำหนดธรรมการทำความรู้ความเข้าใจก็ไม่ยาก เห็นในข้อที่ตรัสสอนให้ตั้งสติกำหนดกายนั้นข้อแรกก็ตรัสสอนให้กำหนดลมให้ใจเข้าออกมีสติให้ใจเข้ามีให้กจปฏิให้ใจออกดังนี้เป็นต้นก็เป็นข้อที่เข้าใจได้ง่ายและที่พระอาจารย์ ในสอนวิธีปฏิบัติต่างๆประกอบเข้ามาเช่นใช้วิธีนับให้ใจเข้านับหนึ่งให้ใจออกนับหนึ่งให้ใจเข้านับสองให้ใจออกนับสองไปจนถึงสิบสิบแล้วก็เริ่มหนึ่งหนึ่งใหม่กลับไปกลับมาเรียกว่านับช้า แล้วก็มานับเร็วให้ใจเข้านับหนึ่งให้ใจออกนับสองสามสี่ก็แค่สิบสิบแล้วก็กลับก็แค่สิบแล้วก็กลับใหม่และเมื่อจิตอยู่ตัวก็เลิกนับกําหนดทําความรู้ลมให้ใจเข้าออกอยู่ในภายในหรือว่าท่านสอนให้ใหายใจเข้ากําหนดว่าพุทธ ให้ใจออกกำหนดวัดโถกลับไปกลับมาเป็นวิธีที่อาจารย์สอนสำหรับผู้ปฏิบัติในเบื้องต้นก็เป็นสิ่งที่เข้าใจง่ายฟังอธิบายกันไม่นานก็สับหลักที่จะนำไปเริ่มปฏิบัติได้แต่ว่าในการปฏิบัตินั้น ในเบื้องตน้นอาจจะยากเพราะว่าจิตมีปกติที่เด่นรนวัดแกวงกระสับกระสายไปในอารมณ์ที่ยึดถือไว้ต่างๆที่เก็บไว้ต่างๆและบางที ก็มีความยึดถืออยู่ในสิ่งนั้นบ้างในสิ่งนี้บ้างน้อยบ้างมากบ้างเป็นความกังวลเป็นความหม่นหมองไปจำอยู่เพราะฉะนั้นการที่มาจับปฏิบัติ ให้จิตมาตั้งอยู่ในกรรมฐานเพราะฉะนั้นการที่มาจับปฏิบัติให้จิตมาตั้งอยู่ในกรรมฐานจิตจึงไม่ยอมคือไม่เกิดอัาธะคือความพอใจ หรือชันทะคือความพอใจความชอบใจจิตชอบใจหรือพอใจที่จะเกาะเกี่ยวอยู่ในอารมณ์นั้นๆดังที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงตันหาคือความริ่นรนของจิตว่าประกอบด้วยราคะคือความติด นันที่คือความเพลินดูในอารมณ์นั้นๆและราคะคือความติดใจนี่มิได้หมายเพียงอารมณ์ที่รักใครปรารถนาพอใจเท่านั้นแต่หมายถึงแม่อารมณ์ที่ไม่รักใครไม่ปรารถนาไม่พอใจ จิตนี้ก็ติดอยู่เหมือนกันไม่ปล่อยอาการที่จิตติดอยู่ไม่ปล่อยนี่แหละเป็นราคะใช้ได้ทั้งในด้านที่รักที่พอใจทั้งในด้านที่ไม่รักไม่พอใจเมื่อจิตติดอยู่ไม่ปล่อย ก็คือว่าเป็นราคะคือความติดคือความติดใจติดใจยินดีติดใจยินร้ายก็ครุ่นยินดีครุ่นยินร้ายอยู่นั่นแหละไม่ยอมปล่อยอารมณ์ เป็นที่ตั้งแห่งความยินดีความยินรายนั้ น, น, นดังนี้ก็เป็นราคาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นดังนี้จิตจึงลื่นรนกวัดแหวงอยู่ในอารมณ์เพราะความติดดังกล่าวเมื่อน้อมให้มาตั้งอยู่ในสมาธิ จึงไม่ยอมที่จะน้อมมาง่ายๆไม่เกิดชันทะหรืออัาทะความพอใจความชอบใจเพราะฉะนั้นจึงต้องมีธรรมะที่เป็นอุปการธรรมที่จะให้ปฏิบัติได้ที่พระพุทธเจ้าตรัสแสดงไว้ ในสติปัฏฐานสูตรก็คืออาตาปะความเพียรคือตั้งความภาคเพียรพยายามสัมปชานะหรือสัมปัญญะความรู้ตัวสติความกำหนดและตั้งใจ ละยินดียินร้ายที่เกาะเกี่ยวอยู่ในอารมณ์นั้นๆเป็นสี่ประการอันหนึง่งได้ตรัสสอนธรรมะอีกข้อหนึ่งอันนับมาเป็นข้อสำคัญก็คือขันติความอดทนเมื่อมีความอดทนอยู่คือทนปฏิบัติสมมติว่า นั่งปฏิบัติทำสมาธิหรือว่านั่งสวดมนต์ภาวนาหนึ่งนาทีสองนาทีสามนาทีห้านาทีสิบนาทีและยิ่งยิ่งขึ้นไปทำอยู่บ่อยๆทำให้มากเป็นการหัดปฏิบัติที่จะดึงจิตให้น้อมมาสู่กรรมฐาน สู่อารมณ์ของสมาธิคือพรากกิตออกจากอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของกิเลสและกิเลสที่รวมเรียกว่า น, นิวรณ์ก็ได้ใ ห, ให้มาตั้งอยู่ในอารมณ์ของสมาธิในตอนแรกที่ปฏิบัตินั้น ก็จะต้องเหมือนอย่างยื้อแย่งกันนิวรณ์หรือกิเลสก็ยื้อแย่งจิตไปทั้งฝ่ายสติสมาธิก็ยื้อแย่งจิตมาก็ยื้อแย่งกันไปยื้อแย่งกันมาจิตก็เป็นทุกข์ไม่ผาสุกแต่ว่า เมื่อหัดน้อมมาสู่อารมณ์ของสมาธิบ่อยๆมากๆจิตก็จะพลาดออกมาจากนิวรณได้มากขึ้นและจะเริ่มได้สุขในสมาธิคือจิตจะเริ่มได้ปีติคือความอิ่มใจสุขคือความสบายกายสบายใจในการปฏิบัติสมาธิ เื่อเป็นดังนี้ก็จะเริ่มติดสมาธิแม้ความติดแม้เป็นความติดในสมาธิก็ยังดีดีกว่าติดในกิเลสหรือในอารมณ์ของกิเลสต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสตดและตั้งใจทำความสงบสึกต่อไป